ธรรมะไม่ยากหรอกนะไม่ยากจับหลักให้แม่นหลักแม่นแม่นแล้วก็ภาวนาไม่ไม่ลําบากอะไรพอรู้สึกตัวนะรู้สึกรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจรู้สึกกายรู้สึกใจได้ก็ดูกายดูใจเขาทางานไปเราเป็นคนดูเฉยๆไม่มีส่วนได้เสียเห็นกายเห็นใจทํางานไปเรื่อยสึกก็เข้าใจ กายนี้ใจนี้เขาไม่ใช่ตัวเราหรอกเขาทำงานทำหน้าที่ทำหน้าที่ของเขาเองร่างกายเขาทำหน้าที่ของร่างกายความสุขความทุกข์เขาก็ทำหน้าที่ของเขากุศลอกุศลเขาก็ทำหน้าที่ของเขาจิตเขาทำหน้าที่ของเขาแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองดูเรื่อยๆเห็นตัวเราไม่มี เห็นตัวเราไม่มีก็ปลอดภัยนะรู้ทิศทางที่จะเดินต่อแล้วท่านเปรียบนะเหมือนคนเดินในทะเลเดินทางในทะเลนะแล้วก็เหลือล่มนะเหมือนคนว่ายน้ำนะคนว่ายน้ำทะเลก็เห็นมีแต่พระมหาชนกนะ <c oughs> <c oughs> คนอื่นไม่เห็นมีรอดนะ พระโสดาบันเนี่ยคือคนที่รู้แล้วว่าฝั่งอยู่ทางไหนแค่รู้ว่าฝั่งอยู่ทางไหนท่านมีความเห็นถูกพระโสดาบันมีความเห็นถูกรู้ว่าฝังอยู่ทางไหนอันไหนไม่ใช่ทางอันไหนเป็นทางพระโสดาบันะรู้อนันนี้แล้วท่านล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนได้ท่านรู้แล้วว่าฝังแห่งความทุกข์ก็คือความพ้นจากตัวตน นบอกพระสกทาคาเนี่ยเหมือนคนซึ่งรู้ทิศทางแล้วว่าฝั่งอยู่ทางไหนแล้วก็เริ่มว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเริ่มเคลื่อนใกล้เข้าหาฝั่งเกิดการลดการละกิเลสเป็นลำดับลาดับมาพรานาคาเนี่ยเหมือนคนซึ่งว่ายน้ำมาใกล้ฝั่งเต็มทีแล้วเท้าถึงพื้นแล้วแต่เป็นพื้นทรายในน้ำน ยังคลื่นซัตว์มาทีก็ยังสำลักน้ำอยู่ถามว่าจะจมน้ำตายไหมก็ไม่ถึงจะจมน้ำตายแล้วนะเข้าใกล้ฝั่งเต็มทีแล้วนะพระอราหันต์น่นคือขึ้นบกมันได้แนะ้วนะเปรียบเทียบปลอดภัยพ้นจากทะเลคือสังสารวัตรแล้วงันะ้นพวกเราเอาอนแรกให้ได้ก่อนนะเอาโสดาให้ได้ก่อนจะเป็นพระโซดาบัลต้องล้างความเห็นผิด ว่าขันห้าเป็นตัวเรามีเราวิธีที่จะล้างความเห็นผิดมีอยู่อย่างเดียวต้องเห็นให้ถูกสิ่งที่ล้างความเห็นผิดนะคือความเห็นถูกความเห็นถูกคือความเห็นตรงตามความเป็นจริงขันห้านั้นไม่ใช่เรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เราสำคัญผิดไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเรา ไปลงผิดหัดมาดูอยู่ในขันห้ามาดูอยู่ในกายมาดูอยู่ในใจดูบ่อยๆนะถึงจุดหนึ่งก็เห็นความจรงิงขันห้ามันก็ทำหน้าที่ของมันไปมันไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายก็ทำหน้าที่ของร่างกายเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวขับถ่ายอะไรเงี้ยเาทหน้าที่ของเขาไป บังคับไม่ได้บังคับไม่ได้จริงอ่ะสั่งมันไม่ได้จริงสั่งไม่ให้แก่มันก็แก่สั่งไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บสั่งไม่ให้ตายมันก็ตายเป็นไปได้สารพัดเวทนาก็ทำหน้าที่ของเวทนาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆหมุนเวียนไปด้วยทําหน้าที่ของเขาไม่ไปเกลียดเขาอย่างเวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาเนียร่างกายเจ็บป่วยขึ้นมา เวทนาเขาทำหน้าที่ของเขาเราอย่าไปเกลียดความเจ็บปวดนะเป็นกลางกับเขาดูเขาทำงานไปดูด้วยใจเป็นกลางอย่าไปเกลียดมันยิ่งเกลียดเนยะยิ่งกลุ่มใจนะความสุขเกิดขึ้นนะก็อย่าไปแทรกแซงทำยังไงความสุขที่อยู่นิรันดร์เป็นไปไม่ได้ความสุขนิรันดร์ไม่มนะีมีแต่ความสุขชั่วคราวแล้วก็หายไป อย่าไปแทรกแซงเลยว่าจะให้อยู่ตลอดการเป็นไปไม่ได้สังขารนี่เหมือนกันนี่เป็นกุศลอกุศลเขาทำหน้าที่ของเขาเดี๋ยวก็เป็นกุศลนะเดี๋ยวก็เป็นอกุศลความโลภก็ทําหน้าที่ของความโลภความโกรธก็ทําหน้าที่ของความโกรธความหลงก็ทําหน้าที่ของความหลงเขาทาหน้าที่ของเขาอย่าไปเกลียดครับนี่เราไม่เกลียดกระทั่งกิเลสนะแต่ไม่ใช่ตามใจกิเลส เรเป็นกลางกับมันจิตมันโกรธเห็นในความโกรธมันเกิดขึ้นแค่รู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นความโกรธตั้งอยู่นะรู้ไปเรื่อยๆความโกรธก็หายไปความโกรธก็ทำหน้าที่ของเขาเองเราไม่ไปเกลียดเขานะไม่ไปแทรกแซงจิตจะฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านก็ทำหน้าที่ของเขา คอยลากจิตให้ลืมเนะื้อลืมตัวนะเขาทางานของเขาอย่าไปเกลียดเขาเราไม่โง่เองถูกเขาลากไปเองนั่นะไม่ต้องไปเกลียดกิเลสมันแต่ไม่ใช่ตามใจมันถูกมันลากออกไปนะดูลงไปนะแต่ละอันแต่ละอันก็ทําหน้าที่ของเขาเองจิตเขาก็ทําหน้าที่ของจิตจิตทําหน้าที่อะไรจิตทําหน้าที่รู้นะถ้าจิตทําหน้าที่รู้จิตก็ไม่กลุ่มเท่าไหร่ แต่ส่วนมากไม่ทําแค่รู้จิตชอบรู้สึกนึกคิดด้วยชอบปรุงชอบแต่งปรุงแต่งมากๆ ก, ก็ทุกข์ขึ้นมาหอมเนาะได้กลิ่นบ้างไหม <c oughs> ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดหลายหอม <c oughs> นี่จะเป็นวัดแล้วนะขอตั้งไปแล้วไม่นานก็คงเป็นวัดจริงๆนะที่นี่โยมช่วยกันออกเงิน ซื้อที่ดินนะมาสร้างขึ้นมาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยที่แรกไม่ได้คิดเรื่องเป็นวัดไม่เป็นวัดนี่มาดูดูเราก็แก่ลงทุกทีนะตายไปไม่อยากให้ของกลางอันนี้ไปตกกับของคนใดคนหนึ่งก็เลไปขอตั้งวัดไหมก็นะผ่านขั้นตอนไปเยอะแล้วนายไปต้องไปสร้างโบสถ์ <c oughs> ไม่ได้เรียอะไรนะ มันมีแล้วไม่เคยเรียอะไรเลยทำอะไรไม่เคยเรียอะไรทัระตักเลยเราไม่ชอบเรี ย, รยอะไรเทศอะไร่ามันเรื่องสร้างวัดคนแก่ก็งี้ง น, นะอย่าถือนะพวกเราอย่านึกนะว่าโอปปปาติกะไม่มีคนเห็นว่าโอปปปาติกะไม่มนะีเป็นมิจฉาทิฏฐินะ จัดเป็นอยู่ในกลุ่มมิจฉาทิฏฐิด้วยซ้ำไปผีไม่มีเทวดาไม่มีเปรตไม่มนะีอสุรกายไม่มีสัตว์นรกไม่มีเลยพรหมไม่มีนะเทวดาพวกนี้เป็นโอปปาติกะนะโอปปาติกะกำเนิดเกิดขึ้นแบบเกิดขึ้นมาก็โตเต็มที่ไปเลยนะไม่เหมือนพวกเราเกิดมานะจากพ่อจากแม่ ค่อยๆโตโอปปาติกานะเกิดก็โตเต็มที่เลยแล้วอยู่อย่างนั้นแหลนะแต่แปลกนะเทวดาเด็กๆ ก, ก็มีนะพรหมเด็กๆ ก, ก็มีเพราะเขาชอบอะ mm ่ะ hmm. เขาชอบเป็นเด็กเ mm hmm. ขาเกิดมาเป็นพรหมก็เป็นพรหมหัวจุกอยูน่นะ mm hmm. <laughs> เป็นเทวดาหัวจุกอยูน่นะก็มีนะแต่เขาโตเต็มที่ของเขาแล้วเขาพอใจแค่นั้น เร า, านึกไ ม, ม่ว่ามันไม่มีไม่มีบางคนนี้คิดว่าเป็นอุบายหลอกเด็กพระพุทธเจ้าไม่ใช่หลอกเด็กพระเจ้าสอนคนที่มีวุตถิภาวะสอนผู้ใหญ่ไม่ใช่สอนหลอกเด็กนะถ้าแน่จริงก็มาภาวนามาดูเอาเองมีไม่มีนะ <laughs> <laughs> พบภูมิต่างๆซ้อนกันอยู่เยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดเลยจำแนกกันด้วยกรรม ทำกรรมชนิดนี้อยู่ในพบภูมิชนิดนี้ทำกรรมชนิดนี้อยู่ในพบภูมิชนิดนี้อย่างพวกเราอยู่ในพบภูมิของมนุษย์เราทำกรรมดีมาเราเคยถือศีลห้าในชาติใดชาติหนึ่งแล้วมันเกิดให้ผลขึ้นมาให้ผลมาเป็นมนุษย์นี่บางคนก็คุ้นเคยกับการถือศีลมาเป็นมนุษย์มีศีลบางคนนะเคยถือศีล น, นิดนหน่อยหน่อย แล้วมันให้ผลมาเป็นขนจิตใจยังคุ้นเคยกับความเป็นสัตว์บ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างนะอย่างนี้ก็มีมิติต่างๆนะซ้อนกันอยู่เต็มไปหมดเลยสิ่งที่ข้ามมิติได้คือจิตนะเพราะจิตนี้เร็วเร็วกว่าแสงนะนักวิทยาศาสตร์พยายามจะข้ามมิติในการผลิตยานที่เร็วกว่าแสงยังทาไม่ได้นะ พระเจ้ารู้ว่าจิตนี่เร็วกว่าแสงข้ามได้อยากรู้อยากเห็นข้ามไปแต่ข้ามไปข้ามมานะที่รู้เที่ยวเห็นไปก็พบว่าที่ใดที่หนึ่งก็ทุกทั้งสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ทุกทั้งสิ้นมีความเกิดทีไรก็มีความทุกทุกทีมีความทุกข์ร่ําไปอย่างตอน พระพุทธเจ้าวันที่ตรัสรู้ประทมฉันท์ท่านะระลึกชาติได้ทนรู้อดีตเกิดเป็นโน้นเกิดเป็นนี้มีจริงๆเนี่เกิดเป็นพญานาคเกิดเป็นโน้นเป็นนี้นะมีจริงๆในยามที่สองท่านได้จูตูประปาฏิยานไม่ได้ดูตัวเองนะครับนี้ดูคนอื่นก็เห็นในสัตว์ทั้งหลายก็เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในสังสารวัฏนั่นเอง ยัยนที่หนึ่งนะท่านเห็นตัวเองเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆนั้นภพภูมิต่างๆมันมีอยู่เราไม่เห็นเองยามที่สองนี่ท่านเห็นคนอื่นนะเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆเสร็จแล้วท่านก็เห็นเลยเกิดทีไรก็เป็นทุกทุกทีความเกิดนี้มาจากไหนท่านเห็นว่าเกิดทีไรก็ทุกทุกทีใช่ไหมมีชาติก็มีทุกข แล้วความเกิดมาจากไหนมีพบก็มีชาติเนี่ยา ย, ยามที่สามนะท่านเริ่มมาสาวตรงนี้ละยามที่หนึ่งที่สองนะท่านเห็นแนละเกิดทีไรก็ทุกทุกทีไม่มีที่ไหนไม่ทุกความเกิดคือการได้ตายหูจมูกลิ้นกายใจมาก็ได้ทุกหมาด้วย ชาติคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมาจากไหนมาจากภพภพคืออะไรภพคือมีสองอันอันหนึ่งเรียกว่าอุปาติภพภพโดยการเกิดอย่างพวกเราเนี้ยมีอุปัติภพอุบัตนะภาษาแขกก็เรียกอุปัติภพมาเป็นมนุษย์แต่ในอุปาติภพยาวๆอันหนึ่งนะเรามีกรรมมาภพมีภพชนิดหนึ่งเรียกว่ากรรมมาภพ พบมีสองอย่างนะอุปติภพกับกรรมอาภพกรรมาภ พ, าพคือการทํางานของใจสังเกตไหมจิตเราเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วกายของเราโดยอุปติภพเป็นมนุษย์บางครั้งจิตของเราเป็นสัตว์นรกท่านเลยเรียกว่ามนุษย์นรกมนุษย์นิรโยโดยกําเนิดเราเป็นมนุษย์แต่พบที่จิตมันปรุงขึ้นเป็นขนาดขนาอาจจะเป็นเปรตโลภ ขาดใดโลภขาะนั้นเป็นเปลดขนาดใดยึดถือแต่ความคิดความเห็นของตัวเองเป็นอสุรกายนี่เป็นพบย่อยๆในอุปธิภพใหญ่ๆนะพบย่อยๆนี่เป็นการทำงานของจิตนะพบใหญ่ก็เป็นสิ่งที่จิตไปปรุงขึ้นมานะกรรสร้างขึ้นมาพบมาจากไหนพบมาจากอุปาทานอุปาทานก็คือตัณหาที่แหลงกล้า มีความอยากที่แรงกล้านะจิตจะทำงานจิตจะดิ้นรนอุปาทานคือตัณหาที่แรงกล้ามาจากไหนมาจากตัณหาธรรมดาฉันถึงบอกตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานนะตัณหากับอุปาทานจริงๆก็คือโลภะด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าดีกรีไม่เท่ากันตัณหามาจากไหนมาจากเวทนานะพอเรากระทบความสุขเราก็อยากได้ กระทบความทุกข์เราก็อยากให้หายไปพอเกิดความอยากจิตก็ เ, เกิดการดิ้นรนเรียกว่าพบดิ้นรนมันก็มีเราขึ้นมามีกูขึ้นมามีชาติขึ้นมานี่จิตมันทางานอย่างนี้นะกระบวนการทํางานของมันค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปเ น, นี่ยพุทธเจ้าท่านมาสาวเข้ามาจนถึงปฏิจจสุบาทนะเห็นกระบวนการทํางานของอะไรของรูปธรรมนา ม, มาทะ ปฏิจจสุบานมี12ขั้นตอนทั้ง12ขั้นตอนก็ล้วนแต่รูปธรรมนามธรรมนั่นแหละนะท่านเห็นรูปธรรมนามธรรมเห็นไ ห, หนีไม่พ้นการรู้รูปนามนะรู้ไปท่านเห็นคนอื่นเห็นตัวเองเกิดเกิดตายตายเห็นคนอื่นเกิดเกิดตายตายรู้ว่าเวียนตายเวียนเกิดก็มีแต่ทุกข์มีชาติก็มีทุกขนะ์นะยามสุดท้ายท่านมาสาวเอาเลยนะมาจากไหนต้นต่อของความทุกข์ มีความอยากก็มีความทุกข์ความอยากมาจากเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆเวทนามาจากไหนมาจากผัสสะมีการกระทบอารมณ์ตามองเห็นเห็นสาวสวยเกิดความสุขเห็นหมาบ้าเกิดความทุกข์อาศัยผัสสะก็เกิดเวทนาผัสสะเกิดได้ยังไงเกิดเ่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะ ถ้าไม่มีตาก็มองไม่เห็นไม่มีการกระทบอารมณ์ทางตาไม่มีหูก็ไม่ได้ยินเสียงไม่กระทบอารมณ์ทางทางหูนะไม่ได้ยินเสียงไม่มีใจก็ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่กระทบอารมณ์ทางใจงั้นอาศัยอายตนะนั่นเองทำให้มีผัสสะได้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะมีรูปธรรมนามธรรมนั้นนามรูปเป็นปัจจัย ให้เกิดอายตนะสังเกตดูตาเรามองเห็นได้เพราะอะไรเพราะรูปกระนาำมีจักษุประสาทมีเส้นประสาทตามีจอรับภาพมีเลนอะไรเงี้ยมีประสาทรับนี่มีวัตถุมีรูปมีแสงที่เข้ามากระทบตานี่ก็เป็นรูปเป็นวัตถุนะมีนามาทำคือความรู้สึกทางตาเกิดขึ้นนี่เป็นนำ่ำเห็นไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทำงานขึ้นมาได้ก็เพราะมีรูปนามนั้นนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมาได้ยังไงมาได้เพราะมีนามรูปนามรูปมาได้ยังไงยากไหมไม่ยากหรอกนามรูปมาได้เพราะวิญญาณ น, นี้หยั่งลงตรงนี้สุดยากแล้วนะ่ะเข้าจุดที่ยากแล้วนะยากนิดเดียวแหละง่ายๆมาตั้งเยอะแล้วสิบสองขั้นตอนนะมียากอยู่สามขั้นตอนนี้แหละ สุดๆเลยภาวนากันปางตายว่าจะเห็นนะวิญญาณหยั่งลงไปนะนํารูปถึงปรากฏขึ้นถ้าไม่มีความรับรู้เกิดขึ้นนะความรู้สึกว่ามีกายก็ไม่มีความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็ไม่มีอาศัยความรับรู้เกิดขึ้นนะร่างกายก็มีอยู่นะความรับรู้ความรู้สึกนึกคิดทางใจก็เกิดขึ้นมาได้ ถ้าไม่มีความรับรู้เลยไม่มีวิญญาณนามรูปก็ไม่ปรากฏมีรูปอยู่ไหมมีแต่ไม่ปรากฏนะั้นท่านถึงบอกว่าวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปอะไรเป็นปัจจัยของความรับรู้ของวิญญาณโอ้ยตัว น, นี้โคตรยากเลยนะเดี๋ยวมีโคตรของโคตรตรงอะไรเป็นปัจจัยของสังขาร สังขารนะเป็นตัดใ จ, จให้เกิดความรับรู้วิญญาณสังขารคือความปรุงความปรุงมีหลายอย่างความปรุงชั่วความปรุงดีความปรุงไม่ดีไม่ชั่วนะตัวนี้อธิบายยากแล้วนะพูดโดยภาษาโดยปริยัติมันก็อธิบายได้นะแต่จะให้เราเห็นตามนี่ยากแล้วอย่างที่หลวงพ่อพูดมาทีแรกนึก อ, ออกไหมมันพอเห็นตามมาได้เป็นลาดับลาดับทวนมา สังขารคือความปรุงเกิดขึ้นทําไมทําให้เกิดวิญญาณต้องภาวนาภาวนาเห็นในภาวะอันหนึ่งนะซึ่งไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยนะความปรุงแต่งเกิดขึ้นมาในความไม่มีอะไรเลยพอความปรุงแต่งเกิดขึ้นมาเนี่ยแสงสว่างอันหนึ่งเกิดขึ้นแสงสว่างนี้เป็นความรับรู้นะ ควารับรู้พอถึงละเอียดลงไปเป็นแสงสว่างนะหรือจิตนั่นเองแสดงตัวออกมาสว่างออกมาจากความไม่มีอะไรแสงสว่างนี้กระทบเข้ากับรูปธรรมนะรูปธรรมก็ปรากฏแล้กระทบเข้ากับนามธรรมานามธรรมาก็ปรากฏนะนี่ต้องภาวนานะนี่จะเห็นจริจริงความปรุงอันนี้เกิดขึ้นมาได้นะปรุงดีปรุงชั่วเกิดขึ้นแล้วก็ มันสว่างขึ้นมาวิญญาณมันหยั่งลงในรูปในนาไดนะ้อาศัยความปรุงมันเกิดขึ้นความปรุงมาจากไหนทั้งๆ ท, ท, ที่เดิมไม่มีอะไรเลยความปรุงมาจากอาวิชชาความไม่รู้ของจิตในเรื่องอริยสัจนะความไม่รู้ของจิตความโง่อของจิตนะความโง่อของจิตตัวนี้พวกเรามีมาแต่เกิดมีอยู่แล้ว ทุกคนเกิดมาด้วยความโง่นะเกิดมาด้วยความไม่รู้เพราะไม่รู้จึงเกิดมานะมีครั้งหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่กับหลวงปูธธ่เทศมีผู้หญิงคนหนึ่งนะมาร้องไห้ต่อหน้าท่านร้องไห้โฮโฮโฮหลวงปู่เจ้าขาทำไมหนูต้องเกิดมาโฮโฮโฮโฮแล้วก็อืมน่ากลัวจังหลวงปู่ก็พูดนุ่มนวล น, นะเพราะไม่รู้ จะตอบนะว่าทําไมเกิดมาเพราะไม่รู้เพราะอาวิชชาสิถึงเกิดมาท่านตอบเป๊ะเลยไหมคนที่แกไม่เก็ตครั้งที่หนึ่งไม่เก็ตนะโอ้โหหลวงปู่ทาไมหนูต้องเกิดมาเพราะไม่รู้แกก็โหอีกนะครั้งที่สามหลวงปู่ทาไมหนูต้องเกิดมาเพราะไม่รู้ท่านตอบให้สามครั้งนะแกหยุดเลยคราวนี้หลวงปู่ไม่รู้เราใครจะรู้ ไปคนละเรื่องท่านไม่ได้บอกว่าท่านไม่รู้ถามว่าเกิดมาเพราะอะไรท่านตอบแล้วว่าเกิดเพราะไม่รู้เกิดเพราะวิชาท่านตอบให้แล้วท่านไม่ได้บอกว่าท่านไม่รู้ <c oughs> คนนี้เข้าใจผิดแทนที่จะบอกว่าเกิดมาเพราะความไม่รู้ก็ไปบอกว่าหลวงปู่ไม่รู้ว่าแกเกิดมาเพราะอะไรคนะละเรื่องเห็แม้ธรรมะนะที่ประณีตลึกซึ้งเนี่ยพอเข้าไปสู่จิตที่หยาบ จิตที่ไม่คู่ควรนะธรรมะจะเพียนเข้าไม่ถึงนะเข้าไม่ถึงเพราะความไม่รู้นั่นแหละจิตจึงปลุงนะถ้าเมื่อไรรู้แจ้งอริยสัจความไม่รู้แจ้งอริยสัจนั่นแหละอวิชชาเมื่อไรรู้แจ้งอริยสนะัจน์ะจิตจะพ้นจากความปรุงแตง่งหลังจากนั้นความปรุงแต่งมีไหมมีเพราะว่าสังขารขันยังมีอยู่ นะขันทาหน้าที่ของขันนะปรุงนะแต่ไม่ปรุงจิตความปรุงแต่งมีอยู่แต่ไม่ปรุงจิตนะขันทาหน้าที่ของขันแต่ละขันที่หลวงพ่อบอกให้พวกเราหัดแยกธาตุแยกขันนะแล้วดูไปแต่ละขันทาหน้าที่ของตัวเองสังขารไม่เข้ามาปรุงจิตความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนไม่มีสัญญาไม่เข้าไปหมายว่าจิตเป็นตัวเป็นตนด้วยนะ เวทนาก็ทำหน้าที่ของเวทนารูปก็ทำหน้าที่ของรูปจิตก็ทำหน้าที่ของจิตต่างคนต่างทำหน้าที่ไม่ก้าวไก่กันนอันนี้มันเป็นสภาวะที่พระระหันท่านดำรงอยูนะ่ขันท่านทำงานไม่ใช่ไม่มีขันนะขันมีพระระหันมีปีติได้ไหมมีได้มีความสังเวชได้ไหมสังเวชได้มีธรรมะสังเวชได้นะ เช่นเวลาพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระอาหารหันต์มีธรรมสังเวทเป็นไปได้ไหมที่บางองค์จะน้ําตาไหลเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ไหลเพราะโทมนัท mm hmm. คนละเรื่องเลยนะบางทีเราไปตีความซื้นเกินไปห้ามน้ําตาไหลรูปมันจะน้ําตามันเป็นรูปนะ mm hmm. จิตมันมีธรรมสังเวทขึ้นมามันก็เรื่องของมันนะ mm hmm. เราไปกาเกณฑ์อะไรที่เกินธรรมชาติธรรมดามากไป นะเทศยากไปไหมเนี่ยให้หลวงพ่อลืมไปรอบนี้ต้องตรวจกันบ้านกลายเป็นเทศสองวันซ้อน <c oughs> เอาอะไรดีฮะต่ออะไรละ่ะถึงอวิชชาแล้วจะเอาอะไรอีก <c oughs> มันก็จบที่อวิชชาแหละรนะพระอวิชามีอยู่นะความปรุงแต่งก็มีอยู่เพราะความปรุงแต่งมีอยู่เนี่ยวิญญาณความรับรู้อารมณ์ก็มีอยู่ ตัวนี้เป็นความรับรู้ทางใจนะความรับรู้ทางใจอันนี้นะพอมันกระทบเข้ากับรูปธรรมนะรูปธรรมก็ปรากฏกระทบเข้ากับนามธรร ม, าามนามธรรมก็ปรากฏมีรูปมีนามแต่จิตยังไม่ได้เข้าไปยึดถือนะเกิดขึ้นมาเฉยๆเป็นวิบากเฉยๆนะเป็นขันธ์วิบากเฉย มีรูปมีนามแล้วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจทํางานขึ้นมาได้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจทํางานได้ ata, ục, inc, kind, ก็มีการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพอกระทบอารมณ์แล้วก็เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆขึ้นได้พอมีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆขึ้นได้ความอยากก็ตามมามีความสุขก็อยากให้มันเกิดอีกอยากให้มันอยู่นานๆมีความทุกข์ก็อยากให้มันหายไป น, น, น, น, นีความอยากเกิดขึ้นนะความยึดถือ คือความอยากที่รุนแรงก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นถ้ารู้ไม่ทันนะมันจะแรงขึ้นในที่สุดมันจะกระโดดออกไปยึดอารมณนะ์จิตจะเกิดความดิ้นรนปรุงแต่งเกิดการทํางานการดิ้นรนปรุงแต่งทํางานของจิตเรียกว่าพบนะเรียกว่ากรรมพบนะมีพบขึ้นมานะก็จะมีการเข้าไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาว่านี่คือตัวเรานี่คือเรานี่คือเรานะนี่คือชาติชาติคือความเกิด คือความได้มาซึ่งตายตาหูจมกูกลิ้นกายใจตาหูจมกูกลิ้นกายใจมีอยู่แล้วใช่ไหมเราเพิ่งไปตะครุบเอามาเพราะมีตัณหานี่เอง mm. ใช่ไหมคนละอันกันนะเพราะงั้นตาหูจมกูกลิ้นกายใจที่มีอยู่แล้วแต่เดิมนั้นยังไม่เป็นชาติหรอกยังไม่เป็นเรานะเป็นสมบัติของโลกอยู่แต่พอมีกิเลส ต, ตัณหาขึ้นมาก็ไปหยิบฉวยไปคว้าขึ้นมาเป็นของเราขึ้นมาแนละ้วเป็นชาติเราะฉนั้นร่างกายนี้แต่เดิมมันก็เป็นร่างกายอย่างนี้ พอเกิดความดิ้นรนทางใจขึ้นมา น, นี่ร่างกายเราขึ้นมานมีชาติเป็นของเราขึ้นมาแนละ้วมีของเราขึ้นมาก็เท่ากับไปแบกเอาความทุกข์เข้ามาไว้มีชาติก็จะมีทุกข์เพราะอะไรเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปนามนั่นแหละคือตัวทุกข์การที่โดดเข้าไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นของเราขึ้นมาก็คือไปหยิบเอาทุกข์ขึ้นมาไปหยิบงูเห่าขึ้นมาก่อนนั่นเองนะ นี่คือกระบวนการที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอา้าวต่อไปตรวจกันบ้านคนอยู่วัดเชิญก <_ an> ็มีโมหะค่ะหลวงพ่อแล้วก็ที่ที่ปฏิบัติเมื่อวานก็มันก็เริ่มมาทำอะไรมากขึ้นนะคะ <_ an> อะไรมากนะก <_ an> ็มาก็เริ่มมามนดูใจบ้างนะคะแต่ว่าก็มีแทรกแสงเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อ <_ an> ดูไปนะดูไปจิตไม่ถึงฐานมอเกตมอเกตหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยใจไม่ค่อยตื่นขึ้นมาอว่าไปก็มีแรงมากกว่าเมื่อวานแต่ก็มีโมหะไม่ถึงฐานสาธโรสมอวานเดินจงกรมก็เห็นแต่ความฟุ้งซ่านมันฟุ้งตลอดเลยครับดู อ, อกไม่ความฟุ้งซ่านไม่ใช่เรา หรือว่าเราฟุ้งซ่านมันมันไม่ได้มองมุมนั้นใช่หมมันเห็นแค่ว่ามันปั้มดึงมันก็เผลอไปเรื่องโน้นเรื่องนี้นะนักใครดูไปสิดูให้เห็นใจรักนะดูสิมันฟุ้งของมันเองนะไม่ได้เจตนาจะฟุ้งเลยนะดูไปนะคุณมารีช่วงนี้ก็เห็นจิตมันปรุงได้มากขึ้นค่ะแล้วก็จิตมันรู้สึกมันอยากทําสมถะมากขึ้นในช่วงนีให้มันทำไปค่ะนะ คนนี้จะไปอังกฤษแล้วอ ะ, อะจากที่ปฏิบัติมา2วันนะคะ่อนสังเกตได้ว่าการเดินจงกรมแต่ละรอบเนี่ยรู้สึกว่ามันมันไม่เหมือนกันนะคะบางบางครั้งก็รู้สึกตัวได้ดีบางครั้งก็รู้สึกตัวไม่ค่อยไม่ค่อยหนูดูไปนะเลยนะใจนี่เป็นของที่แปรปรวนตลอดเวลานะการที่เราหันเดินจงกรมแล้วเราเห็นว่าไม่เหมือนกันนั่นดีแล้วไม่จําเป็นต้องเหมือนกัน นะงั้นมาอยู่ในชีวิตธรรมดาของเราเนี่ยเดินไปแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนั่งอยู่เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปถ้าดูตรงนี้บ่อยๆนะไปอยู่ประเทศไหนก็ไม่เหงาหรอกมีงานทําทั้งวันเลยคือดูกายดูจิตของตัวเองได้ทั้งวันนะ่นะะแป๊บเดียวก็สองปีแล้วไปอังกฤษสองปีนั่งสารนะอาหารอังกฤษไม่อร่อยเลยอส่วนมากกุญกิเลออ้วนๆ คือที่ที่ปฏิบัติมาเมื่อวานนี้นะคะก็จะรู้สึกว่าตัวเองยังหาหลักไม่ได้อะไรไม่ได้นะยังหาหลักตั้งหลักไม่ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าใจพยายามที่จะบังคับให้คิดว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่แต่จากที่หลวงพ่อแสด็จรำเมื่อเช้ า, ชานี้นะคะก็จะพยายามใช้หลักที่หลวงพ่อบอกในวันต่อๆไปนะครรู้สึกเอานะมันเป็นยังไงก็รู้เอารู้เอาเยอย่าไปยุ่งกับมันอย่าบังคับมันแค่รู้บ่อยๆหน่อย อาต่อไปใครจะคุยกับหลวงพ่อใครมาจากที่ไกลๆบ้างอะไกลมากๆเลยร้8ยี่แปดมาจากไหนเออพี่จิตไกลอะนี่มาจากเมืองชาละวันนามาสัส ก, การนะครับผมปฏิบัติมาประมาณปี ก, กว่าๆแต่ผมทำสมาธมาตั้งแต่ปีสองห้าเพราะเดินปัญญาไม่เป็นอผมมาเดินปัญญาได้ฟังซีดีของพ่อจากวัดสังฆทานแล้วผมก็ เขียนจดหมายโทรศัพท์มาขอหนังสือจากหลวงพ่อไปศึกษามาจนถึงวันนี้จิตตื่นเสร็จแล้วมาถึงปัจจุบันนี้เขามีความเครียดแต่เขาไม่ทุกข์ครับอืมเครียดเพราะภาวนาหรือเครียดเพราะอย่างอื่นนะเครียดเพราะความเครียดเข้ามาแต่เขาไม่ทุกข์ครับเออนะเราไม่ทุกข์นะเราเป็นแค่คนดูมันมาได้มันก็ไปได้นะครับดูไปนะโลกเป็นอย่างนี้แหละโลกไม่ไม่คงที่นะทีนี้ผมสงสัยว่าถ้าไม่เครียดแล้วมันจะ แบบที่หลวงพ่อเทียนบอกหรือเปล่าครับว่าเสาสองเสามีเชือกอยู่ตรงกลางแล้วมันขาดออกจากกันอะไรเงี้ยมันก็ขาดสิแต่ตอนนี้ขาดหรือยังดูให้ดีนะครับนะมีเราไหมยังครับยังมีตัวตนอยู่สาธุเห็นถูกต้องครับแล้วจิตบางครั้งก็กดอยู่ครับอ๋อเก่งอย่างนี้เก่งหลวงพ่อได้ยินพูดธรรมะสูงๆูงนะต้องรีบถามก่อนว่าอยากถามหลวงพ่อว่าจิตหลุดพ้นกับธรรมธาตุเกิดพร้อมกันหรือเปล่าครับกับอะไรนะ ธรรมธาตุครับธรรมธาตุมีอยู่แล้วทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งที่ผมเห็นตัวเองเป็นสิ่งสมมติมองข้างนอกเป็นเป็นธาตุดินน้ํำลมไฟเออต้าถูกแล้วนะถูกแล้วแต่ต้องทําต่อไปใช่ไหมครับยังไม่หลุดฟ้นเห็นไหมแต่ว่าเห็นความจริงแล้วว่ามันเป็นแค่ธาตุดินน้ํำลมไฟการที่เห็นความจริงซ้ําแล้วซ้ําเล่านะแล้วต่อมาก็ยังเห็นความจริงที่ประณีตลึกซึ้งไปไม่เฉพาะรูปธรรมหรอกที่ไม่ใช่เรานามธรรมาก็ไม่ใช่เราด้วย เห็นอย่างนี้เช่นความรู้สึกสุขทุกข์ก็แปรปรวนนะกุศลอกุศลก็แปรปรวนจิตเองก็แป urning, รปรวนเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ดีเดีนะ๋ยวก็ร้ายก็เห็นธรรมชาติทั้งหมดเลยทั้งรูปธรรมทั้งนมามธรรมเนี่ยตกอยู่ใต้ใจรักเหมือนกันตรงนั้นอาจจะได้ธรรมะนะเห็นรูปเห็นรูปเป็นธาตุเนี่ยดีแล้วนะเป็นจุดตั้งต้นที่ดีเพราะเห็นว่าตัวเราเป็นสิ่งสมมุติแต่ภายนอกเป็นดินน้ำลมไฟจริงจริงเออดี มัสการครับอ้าวมีใครอยู่ไกลๆอีกบางคนนั่งสารนะมาจากยะลาแล้วยกมือไม่ได้แล้วยี่สิบมาจากไหนขอนแก่นเอไนอไกลอย่าบอกว่าศรีราชานะ <c oughs> อ้าวคนขอนแก่นว่าไปค่ะไ ม, ไม่ไม่ทราบตอนนี้หนูมีอะไรติดอยู่บ้างไหมคะดีกว่าแต่ก่อนนั่งเยอะแล้วคมีติดสมถะไหมคะไม่มากหรอก รู้สึกแล้นะตอนนี้เป็นกดไว้นิ่งๆนิดหน่อยตื่นเต้นอนะจิตถึงฐานไหมดูออกไหมดูไม่ออกค่ะสังเกตตัวนี้เวลาที่เราจงใจดูจิตเนี่ยถ้าจิตมันไม่ถึงฐานมันจะเข้ามาดูไม่ได้จะดีดออกไปมันจะเด้งออกไปดูไม่ได้ลองย้อนมาดูจิตตัวเองสิตอนนี้ลองย้อนดูเลยเห็นไหมมันเด้งออกดูออกไหม S <S <S จะดูจิตไม่ค่อยออกเลยค่ะ <S <S เออนะถ้าอย่างเนี้เนื่องว่าจิตมันยังไม่เข้าไปถึงฐานมันวิธีที่จะช่วยมันนะคือมาดูกายไว้ก่อนกายเป็นบ้านของจิตถ้ายังดูจิตไม่ถึงไม่ถึงจิตนะก็มาดูกายไว้ก่อนคล้ายๆเราอยากรู้จักเจ้าของบ้านหาเจ้าของบ้านยังไม่เจอเราไปเฝ้าหน้าบ้านไว้ก่อนนั้นเราคอยรู้สึกอยู่ในกายบ่อยๆร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนนะคอยรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยจิตนั่นแหละเป็นคนรู้สึก ต่อไปกจะเห็นนะีร่างกายเคลื่อนไหวจิตมันเป็นคนรู้สึกจิตมันเป็นคนดูนะจะค่อยๆกลับเข้ามาต่อไปมันจะเห็นจิตได้กนะารภาวนาเนี่ยจะเห็นเพียงอันใดอันหนึ่งไม่ได้ต้องเห็นทั้งทั้งหมดนะทั้งขัน5้านะเห็นขันห้าเป็นไตรลักษนะถึงจะล้างได้หมดตัดได้หมดขเขาเลื่นถาม อ, อ, อสุรกายที่หลวงพ่อพูดเนะี่ยเป็นยังไงคะอสุรกายหรอก็หมายถึงกายที่ไม่เหมือนเทวดา สุราคือเทวดาสูราก็คือไม่ใช่เทวดาพวกน่าเกลียดอ่ะพวกเทวดาเขาน่าเอ็นดูอยากเจอไหมไม่อยากค่ะนะขอบพระคุณค่ะนึกว่าสนใจเอามีไหมคนอยู่ไกลมาจากไหน198้บดบอกก่อนอไกลนิดหน่อย กราบและมรดการหลวงพ่อค่ะอืวันนี้มาส่งกันบ้านหลวงพ่อในรอบสามเดือนค่ะมาครั้งที่สองค่ะทุกวันก็ตามรู้กายรู้ใจในชีวิตประจําวันแล้วก็ทําในรูปแบบเห็นเปลี่ยนแปลงหรือยังเห็นมากเลยค่ะหลวงพ่อใช่ได้นะใ่ไม่ค่อยตื่นแล้วะต่อไปนี้เราก็ไม่รีบร้อนนะแต่ไม่ขี้เกียจถ้ารีบร้อนอยากให้ดีเร็วๆจะเสียแต่ถ้าขี้เกียจก็ย่อหย่อนไปค ตามรู้ตามดูสม่ำเสมอที่ทำอยู่ใช้ได้ค่ะกลาบขอบพระคุณค่ะหลวงพอ่อตอบถูกเปล่าถูกค่ะหลวงพ่อเหมือนน ะ, ะ ต, ต้องตอบต้องถามก็ตรงคำถามป <c oughs> เปล่าอ้าวคนไหนมาไกลๆอีกมีไหมไม่มีแล้วนะอะตอนนี้ไม่กำหนดแล้ะใกล้ไกลเบอร์สามสิบห้าเชิญกราบเรียนถามหลวงพ่อครับคือ ที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเรารักษาศีลไว้จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกทีนี้ทํำยังไงฮะที่จะเป็นเหตุให้เราได้ใกล้พระศาสนาแล้วก็มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วก็ไม่หลงไปกับนี่ไงทําที่ไม่ใจ ใ, <น>ใจเราเคล้าเคลียอยู่กับธรรมะนะใจเราเคล้าเคลียกับธรรมะมันจะค่อยคิดถึงธรรมะไม่หลงไปนานนะอย่างหลวงพ่อตอนวัยรุ่นที่เล่าแตะกีนะ้ตอนเรียนอยู่มหาวิทยาลัยนะหลงไปจากศาสนาพุทธนะ เสร็จแล้วก็กลับมาจนได้เข้าใจมันคุ้นเคยนะของคุณนะตอนนี้ใจมันก็เริ่มเข้าหาธรรมะอยู่แล้วทุกวันเราตั้งใจไว้นะทาทานรักษาศีลทำสมาธิฝึกจิตฝึกใจทุกวันฝึกไปเรื่อยนะอะไรเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ทำเราก็ทำท่านห้ามเราก็ไม่เอานะ้วก็ตั้งใจอธิษฐานไว้ไม่ว่าจะเกิดในภพใดชาติใดนะขอให้มั่นคงอยู่ในพระพุทธศาสนานะหลวงพ่อนะ แต่ไหนแต่ไรมาตั้งสัจจะกับ <iri> ตัวเองไว้แบบนี้เลยนะไม่ได้บอกว่าขอให้เกิดเป็นคนไทยนะบางคนขอให้เกิดเป็นคนไทยจะได้เจอพระพุทธศาสนาไม่แน่ไม่แน่ว่าคนไทยจะมีศาสนาหวงพ่อตั้งใจไว้แต่ไหนแต่ไรนะว่าไม่ว่าจะเกิดที่ไหนนะพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนขอให้เราไปเกิดที่นั่นนะขอให้เรามีศรัทธานะมีครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องตั้งใจไวอ้อย่างนี้เลย มีศรัทธาแล้วไปเจอครูบาอาจารย์ไม่ได้เรื่องก็แย่เหมือนกันเนะี่ยจะตั้งใจไว้ก่อนนะขอให้มีครูบาอาจารย์ที่ดีถูกต้องหลวงพ่อตอนเด็กๆนะหาครูบาอาจารย์ท่านแรกเลยคือท่านพ่อหลีไมนะ่ไม่มีเพี้ยนออกนอกรู้นอกทางเลยไปฝึกสมถะนะอาจารย์องค์ต่อมาคือหลวงปู่ดูลนะท่านสอนมีปัชนาให้สอนดูจิตดูใจใหนะ้ต่อมาก็ไปเรียนกับหลวงพ่อพุธ ในวันรุ่งขึ้นเจอหลวงพ่อพุธถัดจากนั้นไปหาหลวงปู่เทศอีกสมเดือนต่อมาไปหาหลวงปู่เทศหาหลวงปู่สิมหาจันมหาบัวเนี่ยไม่มีนอกรู้นอกทางสักองค์เลยจนป่านนี้ไม่มีองค์ไหนปลาชิกเลยเ <c oughs> พวกเราตั้งใจไวนะ้นั้นทุกครั้งเวลาเราทําบุญนะขอให้เรามั่นคงอยู่ในพระศาสนาขอให้เราได้พบครูบราอาจารย์ที่จะทําแสงสว่างมาสู่ใจของเราได้นะ ตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วรักพระพุทธเจ้าให้มากๆถ้ารักพระพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่หลุดออกจากศาสนาพุทธแล้วความฉลาดทั้งโลกและทางธรรมเนี่ยพอที่จะมีมีเหตุอันใดที่จะทำได้บ้างไหมฮะถ้าใจสงบใจตั้งมั่นนะก็สามารถฉลาดได้ในทางโลกในทางธรรมนะถ้าใจฟุ้งซ่านก็ไม่ฉลาดทาั้งทางโลกและทางธรรมอย่างอย่างเวลาเราทางานทางโลกงานที่ยา ก, ยาก ต้องใช้สมาธิในการทาใช่ไหมจิตใจสงบจิตใจสบายจิตใจจดจ่ออยู่กับงานก็คิดงานได้ดีเวลาเราปฏิบัติทำจิตต้องตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มีสมาธิรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจทำงานไปก็ เ, เกิดปัญญาในการในทางธรนะสมาธินั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดปัญญาแล้วก็อาศัยการฝึกฝนเอาขอสุดท้ายครับขอคืออยากได้การบ้านใหม่ไปทำอะฮะ รู้สึกตัวนะรู้สึกไปจิตยังไม่ถึงฐานหรอกดูออกเปร่าดูออกฮะตอนนี้มันมันมันเหมือนกับแบบถอยมาตั้งหลักใหม่เออนะนะมันมันหลักผิด ท, ที่ตอนนีมน้มันเละไปหมดแล้วเออนะนะแค่รู้นะคแค่รู้ว่ามันเละไปแล้วไม่ว่ามันหรอกรเดี๋ยวก็ดีที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเบอร์ร้อยสี่สิบ กับหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านในรอบสามเดือนค่ะก็ช่วงสามเดือนที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าดูได้เป็นกลางมากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางครั้งที่ไม่เป็นกลางแล้วก็ไม่ถึงฐานค่ะขี้ใจน้อยไหมมีค่ะนะขี้งุดหขี้มโมโหมีค่ะนะนะมันเป็นขึ้นมาก็รู้ทันนะค่ะแล้วก็ช่วงทาในรูปแบบแล้วก็แบ่งเวลามา นอกจากเดินจงกรมก็คือ3มเดือนที่ผ่านมามีนั่งสมาธิดูลมหายใจด้วยค่ะก็รู้สึกว่ามีกำลังมากขึ้นไม่แน่ใจว่าไปติดสมาธาหรือยังไม่ติดนะถ้าติดจิตจะนิ่งๆซึมๆเครียดๆแข็งๆตอนนี้ไม่ได้เป็นหรอกไปทำอีกนะสมาธิสมาธิยังอ่อนไปนิดหน่อยดูออกไหมดูออกค่ะสมาธิยังไม่พอนะใจมันยังไม่ตั้งมั่นพอ45ห้า กับนมกกาศก้าหลวงพ่อค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนหนูอยู่นี่ค่ะหนูสวมดมนต์แล้วนั่งสมาธิก่อนนอนนะคะอแต่ตอนนั่งสมาธินี้จิตจะฟุ้งมากเพราะว่าเวลาในการทํางานหนูจะคิดแต่ละวันว่าการทํางานของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพอเวลามา น, นั่งสมาธิหนูมีความรู้สึกว่ามันฟุ้งมาก ม, มากจนถึงขนาดที่ว่าหลวงพ่อเคยบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกหนูก็พยายามแล้วพยายามไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้เพราะว่าเราต้องรับวิบากนะ เราฟุ้งซ่านมาทั้งวันแล้วตกขําจะมาให้มันสงบมันไม่ยอมสงบหรอกลองกลับข้างใหม่เอาตั้งแต่ตื่นนอนเลยตื่นให้เร็วขึ้นหน่อยนอนให้เร็วขึ้นนิดนึงมันมันทําอย่างนั man, ้นไม่ได้เพราะว่าหนูเข้าเวรเช้าบ่ายดึกค่ะอะไรนะหนูมีเวรบ่ายดึกค่ะเวรอะไรนะเวรบ่ายดึกค่ะก็หนูทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะแล้วทีนี้มีเวรบ่ายดึกมันจะเข้านอนเร็วไม่ได้ตามปกติของคนทั่วไปอ๋อเหรอค่ะ ทำงานกลางคืนค่ะหนูจะเข้าประมาเที่ยงคืนนะคะงั้นก็ตื่นมันตั้งแต่บ่ายเลยก็บ่ายก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูจะลงเวรก็ประมาณ1ิบเอโมงอาบน้ําก็ประมาณเที่ยงแล้วก็ปฏิบัติงานอีกทิ้งก็ประมาณบ่ายโมงกลับมาก็สี่โมงก็ต้องช่วยแม่ข า, ายของตรงนี้ตื่นให้เร็วขึ้นสนะักยี่นาทีนะแล้วก็มาปฏิบัติก่อนอหนูไม่รับปา หนูไม่รับปากค่ะเพราะความขี้เกียจของหนูมีเยอะ <laughs> น่าแหละสารภาพออกมาแล้ว <laughs> ไม่ใช่ทำไม่ได้หรอกแต่ขี้เกียจท <laughs> <laughs> ี่ทำไมลงพ่อสอนอย่างนี้เลยไห ม, มเพราะว่าตกค่ำอะไรตกดึกอะไรของหนูเนี่ยหนูเหนื่อยเต็มทีแล้วมันฟุง้งซ่านเต็มทีแล้วมันเหนื่อยเต็มทรีร่างกายนี้ต้องการพักผ่อนนะเราไปเี่ยวเข็นไปฝืนมันเนยมันไม่สงบหรอก เราต้องเก็บเวลาซึ่งมันพอจะทําได้นะสู้กับความขี้เกียจซิสู้เอาแต่หนูก็ดีใจนะคะว่าวันเสาร์อาทิตย์อะหนูจะได้มาที่นี่แต่หนูก็หมดภาระหน้าที่ก็คือตอนนี้หนูไม่ต้องทํางานวันเสาร์เพราะว่าหนูก็ดีวันเสาร์จะได้ภาวนา ใช่หนูดีใจมากที่จะได้มาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อ <He. S 2> เพราะว่าแต่ละครั้งที่จะมาแต่ละครั้งเนี่ยหนูจะเวรดึกหนูก็จะไม่ได้มาเพราะว่าหนูว่าจะอาศัยพี่เขามาอื hmm. เพราะว่าหนูจะถามว่าพี่มาไหมพี่มาไหมถ้าพี่มา hmm. แล้วหนูจะนึกถึงหลวงพ่อว่าเออหนูเสียดายนะ้อวันนี้เราไม่ได้มาเราแบบมีความรู้สึกว่าเออถึงเวลาสิบเอโมงทุกคนก็จะกลับบ้านหมดแล้วได้ฟังธรรมมาจากหลวงพ่อแต่เรากลับไม่ได้อะไรเลย hmm. เอาอย่างนี้เอาซีดีไปฟัง ซีดีหนูมีค่ะหนูวิทยกอย่างแล้วหนูก็เปิดฟังในรถเออฟังไปนะแล้วก็สังเกตจิตไปเรื่อยๆอยู่เวรดึกกลัวผีไหมไม่กลัวคะ่ะเพราะหนูเคยเจอมาแล้วอ๋เอเรียกเจอจนชินค่ะออแล้วกลัวอะไรบ้างกลัวใจตัวเองเอองั้นดูใจตัวเองไปอ้าวต่อไปใครจะคุยกับหลวงพ่อบ้างเชิญยกมือแปดส กราบนัมาสการค่ะหลวงพ่อคือ hmm. หนูเริ่มต้นฟังซีดีของหลวงพ่อค่ะคือเมื่อก่อนเคยนั่งสมาธิแล้วเรารู้สึกว่าฟุ้งซ่าน hmm. แล้วก็จะติดง่วงตลอดอะคะ่ะ hmm. ตอนหลังพอมาฟังซีดีหลวงพ่อแล้วมีความรู้สึกว่าหลวงพ่อจะบอกว่าให้รู้กายรู้ใจ hmm. ก็เลยคิดว่านั่งสมาธิเนี่ยจ ะ, จะติดง่วงแล้วฟุ้งซ่านก็เลยตอนหลังมาดูลักษณะดูดูกายอะค่ะ mm hmm. แต่ไม่ไม่ทราบทำถูกรึเปล่ปาบางทีเหมือนกับเราขับรถอยู่เราก็รู้ว่านี่เราขับรถนี่เรากินนี่เราเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. คือคือเริ่มแรกเนี่ยก็คือรู้รู้วันหนึ่งครั้งสองครั้ง mm hmm. แล้วตอนหลังเริ่มมารู้อารมณ์ว่าเราโกรธ พอเราโกรธปุ๊บเราไม่หายถามพี่ที่เขาปฏิบัติเขาบอกว่าแสดงว่ารู้ไม่จริงเพราะว่าถ้ารู้จริงเนี่ยความโกรธมันจะดับได้พอตอนหลังมันรู้อะค่ะแล้วมันมันก็หายไปเมื่อก่อนพอโมโหลูกอย่างเงี้ยค่ะก็จะตีลูกแต่พอตอนหลังพอพอเรารู้ว่าเราโกรธเราเราเริ่มอารมณ์นิ่งขึ้นนะคะเราไม่ตีเขาทีนี้แม่แม่ทราบว่าหนูหนูปฏิบัติลักษณะ ดู<ต>กาย ห, ห, หรือรว่าให้ดูจิตนะคะก็ดูมันทั้งคู่แหละดูกายมันก็เห็นจิตนะมันไม่ใช่ดูกายแล้วเห็นแต่กายแต่ว่าปรับวิธีดูนิดหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่เราขับรถอยู่รู้สึกว่าร่างกายมันขับรถอยู่ไม่ใช่รู้สึกว่าเรากินข้าวแต่รู้สึกว่าร่างกายมันกินข้าวนะไม่ใช่รู้สึกว่าเราโกรธนะแต่รู้สึกว่าจิตมันโกรธนะค่อยถอนความรู้สึกเป็นเราออกไปก่อน เห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานไม่ใช่เราทํางานนะไปปรับตรงนี้น ะ, ะปรับมุมมองซะหน่อยแล้ ว, แ ล, วแล้วถ้าอย่างเช่นถ้าถ้าเรานั่งสมาธิอะค่ะเราเราจะฟุ้งซ่านกับเราง่วงทีนี้เราเหมือนกับว่ามาม า, มาเปลี่ยนรู้รู้ร ร, รู้สิ่งที่เราปฏิบัติในระหว่างวันอย่างนี้ได้ไหมคะเป็นยังไงรู้ระหว่างวันเอออย่างเช่นว่ารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อ๋อดีระหว่างวันเนี่ยต้องรู้นะรู้ตลอดวันได้ยิ่งดี แต่ว่าการจะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมก็ไม่ควรเลิกหรอกยิ่งกลางวันเราจเจริญสติได้มากตอนไปนั่งสมาธิกลางคืนจะนั่งได้ดีขึ้นเพราะว่ามันมีสติแรงขึ้นมันจะไม่เคลิมหรอกถ้ากลางวันฟุ้งซ่านเต็มเหนียวแะตกข้ามไปนั่งสมาธินั่นหละห ล, ลับแน่นเลยนะเพราะงั้นการที่จเจริญสติในชีวิตประจําวันนี่แหละช่วยเสริมการปฏิบัติในรูปแบบแล้วการปฏิบัติในรูปแบบนั่นแหละจะกลับมาช่วยเสริมการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ตอนตอนนี้จิตตื่นหรือยังคะหลวงพ่อตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะพอใช้ได้นะค่ะมันก็ดีขึ้นนั่นแหละปฏิบัติแบบเดิมถูกไหมคะถูกนะถูกไม่ทิ้งรูปแบบนะอ๋อค่ะกราบขอพระคุณค่ะเอาร้ยสามสนรสรการหลวงพ่อครับขอเรียนคำแนะนำในการปฏิบัติครับตอนนี้รู้สึกว่า ดูกายได้ชัดเวลาที่นั่งปฏิบัติแต่แตว่าดูใจไม่ค่อยออกไม่เป็นไรเอาให้ได้อันหนึ่งก็พอละ<อ>ดูกายนะ<ๆ>เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นแค่คนดูฝึกงนี้บ่อยๆนะต่อไปมัน<ๆ>จะเห็นจิตชัดขึ้นมาแล้วเวลาเดินเนี่ยจะดูไม่ค่อยชัดถนัดนั่งถนัดนั่งครับถนัดนั่งก็นั่งเอาหลวงพ่อก็ไม่ถนัดเดินนะแต่ก่อนเนี่ยเดินไม่รู้สึกหรอกต้องนั่ง แต่ดูกายชัดอย่างเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าวิธีดูกายนะค่อยๆดูไปกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูนะสัง mm hmm. เกตไหมร่างกายมันเป็นของที่เราไปรู้สึกเข้านะครับนะจิตเป็นคนไปรู้สึกครับนะเนี่ยค่อยๆดูไปในส่วนมันจะมีกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูอยู่นะแล้วถ้าในชีวิตประจําวันก็ ร, รู้รู้จิตเอาใช่ไหมครับแต่แต่รู้ได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับก็ดูกาย<อ> ไ, ไปสิ มันก็ดูกายได้ได้ไเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายกินข้าวร่างกายขับถ่ายอะเราทําตัวเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันเป็นคนแสดงนะฝึกแบบนี้บ่อยๆทําแนะนําก็เท่านี้ใช่ไหมครับเท่านี้พอเลยแล้วจะเห็นจิตชัดเอง46่บกกราบกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะเออเอ่อ พยายามปฏิบัติเพราะอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าให้เป็นพุทธบูชาค่ะครนี้พอสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเลยรู้สึกว่ามันแบนๆยังไงก็ไม่ทราบค่ะหลวงพ่อแล้วก็ไม่ค่อยโลกแบนหรอเห็นโรคแบนๆหรืไม่ใช่ค่ะคือแบบใจมันนิ่งๆเงียบๆมัม้งคะโ ม, มวานี่ก็เลยไม่ทราบว่าอันนี้มันเป็นเพราะว่าโมหะมันเยอะหรือว่ามันติดสมถะอย่าไปกังวลมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้แล้วเกิดสงสัยขึ้นมารู้ว่าสงสัยเห็นไหมดูต่อได้แล้ว แล้วก็ต้องต้องลดสมถะหรือว่าเพิ่มสมถะค่ะไม่ไม่ค่อยมั่นใจว่าไอ้ที่เดินเดินอยู่เนี่ยบางทีมันเหมือนกับเราเดินเล่นเลยค่ะหลวงพอ่อก็ให้มันเพิ่มสติขึ้นหน่อยแล้วแล้วเวลาที่อย่างนั่งสมาธิอะค่ะ เ, เวลาที่เราเราเผลอคิดไปเนี่ยรันก็จะรู้สึกว่าเผลอคิดไปละแต่ว่าไม่เคยเห็นความคิดผุดขึ้นมามนอะไรไไอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ต้องไม่เป็นไรเห็นว่าจิตเผลอไปแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแล้วละนั่งเนี่ยค่ะหลวงพ่อปัจจัยมันใายไปใส่มาไม่รวมเลยเนี่ยอืแล้วเราก็เหมือนกับเราแค่นั่งหลับตาเฉยๆอย่างนี้เราก็นั่งดูจิตมันทํางานเราเป็นแค่คนดูไอ้คนที่ดูนี้สงบอยู่แล้วแต่อย่างนั้นก็คือการทําในรูปแบบเหมือนกันนคือยังให้ทําต่อไปใช่ไหมคะทำต่อไปค่ะสรรพคุณ แต่ถ้ามันไม่ยอมพักเลยนานๆไปนะก็น้อมเข้าไปหาความสงบบ้างน้อมได้ใช่ไหมคะได้คือตอนนั้นเนี่ยเคยเคยแต่ว่าอย่าให้ไปติดซึมออกมาก็แล้วกันคือคือมันจะมีตัวเป็นแสงกับเป็นเป็นตัวนะคะคือถ้าเราดูตัวเนี่ยเราจะฟุ้งไปฟุ้งมาแต่ถ้าเราดูที่แสงเนี่ยเราจะนิ่งนั่นแหละมันเป็นสมถะงั้นให้ดูที่แสงก็ได้ที่ตัวก็ได้ใช่หมคะดูดูแสงไปนะก็เป็นสมถะ มาดูกายดูใจทํางา น, นก็มาเดินวิปัส <Okay. S 1> นะากราบขอบพระคุณร <104. S 2> ้อยสี่ดีใจที่ได้มากราบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกครับแล้วก็มากราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้หยิบยื่นโอกาสให้ผมได้เข้าใกล้ความเป็นชาวพุทธมากขึ้ น, นครับเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคย ร, รู้สึกว่า ได้ได้ศึกษาธรรมะหรืออะไรเงี้ยครับก็คือเป็นชาวพุทธอย่างที่หลวงพ่อบอกว่า<ม>กรอกในบัรเวลาให้เติมว่าศาสนาอะไรเท่านั้นนะแล้วก็หลังจากที่ได้โอกาสอ่านหนังสือแล้วก็ฟังซ<ม>ีดีของพ่อมาประมาณ 4-5 เดือนนะครับได้ลองปฏิบัติตามเกี่ยวกับดูกายและดูใจเนี่ย<ม> เ, เวลาดูกายเนี่ยผมไม่สามารถแยกออกได้ว่าคือผมมองอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าให้มองเหมือนเป็นหุ่นยนต์ ไม่ใช่ตัวเราแต่ผมมองไปรู้ว่ากายกำลังนั่งหรือยืนเดินนอนเนี่ยแต่มันก็ยังเห็นว่าเป็นกายผมอยู่ดีครับยังไม่ใช่ไม่เป็นไรนะแรกๆยังรู้สึกว่าเป็นตัวเราอยู่ไม่เป็นไรแล้วต่อไปฝึกไปนานจะเห็นเลยว่าที่รู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยเพราะคิดเอาเป็นเราขึ้นมาเพราะความคิดเท่านั้นเองจริงๆไม่ใช่หรอกนะครับแล้วก็เลยทำให้รู้สึกว่าเวลาเห็น สภาวะธรรมเช่นความโกรธหรือความคือการดูจิตเนี่ยสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าอืถนัดอะไรก็เอาแต่ว่าบางครั้งก็ไม่มั่นใจว่าที่เราดูแล้วเราคิดว่าเราทํามองอย่างเป็นกลางแล้วแล้วเขาหยุดเนี่ยมันหยุดเพราะาเราไปกดเขาหรือหยุดเพราะว่าเขาผ่านกระบวนการนี้สำเร็จจริงๆครับดูง่ายๆนะถ้าเรากดเนี่ยจิตจะแน่นๆจะหนักๆแน่นๆแข็งๆนะแต่ถ้าไม่ได้กดนะจิตก็โปร่งโล่งเบา สังเกตที่จิตเราแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะได้ม า, มาฟังทำหลวงพ่อเนี่ยนะครับการทําสมาธิของผมคือการนั่งนําไปสู่การเพ่งก็คือยุบหนอพองหนอหรือว่า อ, อยู่กับลมหายใจตลอดตลอดที่ผ่านมาครับทําให้พอหลังจากที่ฟังหลวงพ่อแล้วเนี่ยการนั่งสมาธิแบบนั้นอะ่ะมันพอนั่งสักพักหนึ่งก็จะ ก, ก็คือจะกลายเป็นการตามดูจิตตลอดเวลามันจะกลายเป็นว่าไม่ได้ทําตามรูปแบบแล้วหรือชัหรือเปล่าครับก็นั่งดูนั่งดูจิตไปก็ได้นะคือทําในรูปแบบหมายถึงว่าวางภาระกิจกรรมอื่นๆซะชั่วคราวนะมาดูกายมาดูจิตโดยเฉพาะนียกว่าทําในรูปแบบงั้นอย่างเรามานั่งนะแล้วเห็นจิตทํางานไปเรื่อยก็เรียกว่าทําในรูปแบบแล้วละ่ะขอบคุณครับหลวงพ่อเก กลับนมัสการหลวงพ่อครับผมอยากทราบว่าผมเริ่มมีทีละสัญญาบ้าหรือยังะครับาต้องดูเอาสิต้อองดูเามันจําสภาวะได้ไหมจิตสติเกิดบ่อยไหมถ้าพูดว่าบ่อยก็บ่อยกว่าครั้งแรกที่มาพบพระจารย์นะครับถ้าเราเห็นสภาวะบ่อยๆนะมันก็จําแม่นแล้สติก็เกิดเองเช่นโกรธไปแล้วก็รู้ว่าโกรธได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยในนี้ใช้ได้นะฝึกให้มันได้สตินะ ครับผมเรียนถามอีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องของความคิดนะครับคําว่าความคิดนี่มันคือสังขารใช่ไหมครับในปฏิจจสมุปบาทคือสังขารเนี่ยเป็นความปรุงเป็นความปรุงแต่งนะปรุงดีปรุงชั่วปรุงเฉยเปรุงดีเช่นปรุงศรัทธาขึ้นมาปรุงวิริยะขึ้นมาปรุงชั่วนะเช่นปรุงโลภโกรดหลงอะไรเงี้ยนะส่วนเรื่องราวที่คิดนี่เรียกว่าบัญญัติและเรื่องราวที่คิดเนี่ยเราไม่เอามาใช้ทํำวิปัสสนาหรอก นะรเราต้องดูสิ่งที่มีสภาวะรองรับ mm hmm. เช่นมีศรัทธาขึ้นมาก็รู้มีความเพียรก็รู้มีสติขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมามีสมาธิก็รู้นะรอย่างนี้เรียกว่าเรารู้สภาวะหรือจิตลอบขึ้นมาก็รู้จิตกโกรธจิตหลงรู้นะรจิตสุขจิตทุกข์ขึ้นมารู้สุขทุกข์นี่เป็นสภาวะแต่เรื่องราวที่คิดนี่ไม่สาคัญเป็นหัง ญ, ญัด แ, แล้วถ้าสมมติว่าเรา รู้ว่าเราคิดเฉยๆนี่ถือว่ารู้สึกตัวไหมครับรู้ว่าจิตคิดนะครับไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะไม่ใช่เรื่องที่คิดถ้ารู้ว่าจิตกําลังคิดอยู่ในขณะนั้นรู้สึกตัวแน่นอนเลยครับผมนะกราบขอบพระคุณไล่ดสิบคนสุดท้ายละที่เหลือจะได้ดีใจกราบนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อ คือหนูเห็นกายเห็นความคิดเห็นความรู้สึกมันทํางานนะนะคะแต่หนูไม่รู้ว่ามันอยู่ในหมวดของการเพง่งตัวผู้รู้หรือเปล่าอะคะ่ะไม่เพ่งหรอกทําไมล่ะแล้วเพ่งผู้รู้ก็ใจก็ต้องทื่อๆนิ่งๆแต่ตอนนี้ไปเพ่งผู้รู้ละตะกี้ไม่เพง่งอย่างเนี้นี่ก็ไปเกาะเอาตัวรู้ไว้เฉยๆดูออกไหมมันมีตัวหนึ่งนิ่งคงที่อยู่นะตัวเนี้เราจงใจขึ้นไหม อันนี้เรียกว่าเราไปจับตัวผู้รู้แรงเกินไปมันจะเห็นอันอื่นชัดนะเห็นเกิดดับชัดนะเห็นอันอื่นไม่เที่ยงนะอ็นนี้เที่ยงอยู่คนเดียวอันนี้เราไปจับตัวผู้รู้ไว้คลายออกซะอย่าไปเพ่งมันปล่อยให้มันหลงอย่างเนี้ยมันไปคิดแล้วทราบไหมเห็นไหมผู้รู้ตายไปแล้วตายเป็นผู้คิดเนี่ยให้มันสลับอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนะะไปประคองผู้รู้คงที่ไว้ทั้งวันนี้ไม่ดนะีมันจะเหลือตัวหนึ่งเที่ยงอยู่ มันแก้ยากเหมือนนกัในบรรดากรรมฐานทั้งหลายนะที่ตามประสบการหลวงพ่อนะตัวที่แก้ยากที่สุดคือเพ่งผู้รู้นี่แหละแก้กันแรมปีเลยอทอใจไหมมากเลยค่ะให้ให้รู้ลงไปว่าท้อหลวงพ่อต้องการทุบให้ท้อ <laughs> ดูลงไปดิใจมันท้อก็รู้ท้อนะใจมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นกันไม่ไปประคองให้นิ่ง อย่าประคองให้นิ่งนะกราบครับพระพุทธเจ้าโอถ้าแก้เองนะแรมปีเลยตรงเนี้ยอาบไปกลับบ้าน